ขอ oh, ความสุขความเจริญจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็จะพูดเรื่องราชสูตรซึ่งก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าประเสนที่กุศลอีกเช่นเคยมีใจความว่าพระเจ้าประเสนที่กุศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็ เบิกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ที่เกิดมาที่พ้นจากชราและมรณะมีอยู่บ้างหรือไม่แต่เราจะเห็นว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเห็นในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าศัตริจ์สติต ถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเจตทิฏฐิก็ถือว่าสรรพสิ่งขาดศูนย์แล้วก็ที่ถือว่าเที่ยงแท้แน่นอนเ น, นี่ยมันจะมีอยู่สองประเด็นประเด็นหน<อ>ึ่งก็บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ขยายไอ้เที่ยงไม่เที่ยงไปเฉียงกันอีกเยอะไอ้ขาดศูนย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบางอย่างขาดศูน ย, ย์บางอย่างไม่ขาดศูนย์หรือขาดศูนย์หมด กถูกเฉียงกันก็กลายเป็นทิฏฐิแต่หลายทิฏฐิแต่ประเด็นที่ทรงสนพระไัยก็คือว่าผู้ที่เกิดมาแล้วที่พ้นจากชราและมรณะนี่มีอยู่บ้างหรือไม่ซึ่งเราจะเห็นว่าชราและมรณะเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเกิดก็คือเกิดแก่จะตาย นี่เกิดมาแล้วพ้นจากชีราหรือว่าตายเกิดมาแล้วพ้นจากโมโระเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยจะมีได้กันไหนกันนี้ที่เราไม่เกิดเมื่อไม่มีอะไรเกิดมันก็ไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรพลาดพลาดสูญเสียผลกระบวนการเหล่านี้มันก็ ล่มสลายไปโดยธรรมชาติของมันพระเจ้ารับสั่งตอบว่าทุกคนมาบกพิตคนเกิดมาแล้วที่จะพ้นจากชราเมรณะนั้นไม่มีเลยแม้กษัตริย์มาสาลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องเปรื่มงใจมากมายมีทรัพย์คือข้าเปลือกมากมาย ก็ไม่พ้นจากชรามรณะแล้วก็ทรงยกพุกวันนาทั้งสี่มาทั้งหมดนะคือข้อความก็อยู่ในธรรมนองเดียวกันจนถึงกับภิกษุแม้ทุกรูปซึ่งเป็นพระอระหันต์เอาขนาดพระอระหันต์กันเลยนะสิ้นอาสวะแล้วอยู่จกพรหมจรรย์แล้วกระทากรรยะเสร็จแล้ว วางภาระักหนักลงแล้วได้บรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ่งกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วพอรู้ชอบร่างกายนี้แม้แห่งพระอรหานเหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดทิ้งไปเป็นธรรมดามันมีประเด็นที่ที่น่าศึกษาอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกก็คือเรื่องของคำว่ากษัตริย์มหาศาลพรา ม, มาสารไม่ใช่เศรษฐีมหาสาลแล้วก็พราหม์มาศารมาความว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่ก็พราหมณ์เนี่ยมันสมัยนั้นมันก็เรียงรองมาจากกษัตริย์นะครับ คืปกติถ้าเราอยู่ดูในพระเวทเนี่ยเขาเรียกว่าพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมันเรียงกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูก็แสดงเห็นในการร่องรอยการต่อสู้ระหว่างพราหมณ์กับกษัตริย์เนี่ยชิงการนํากันเดียในที่สุดเนี่ยพวกพราหมณ์ก็ต้องพ่ายแพ้เพราะว่าวัโสอิสยังโลกเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกกษัตริย์เขามีกองกําลัง เขามีอาวุธมีทหารที่จะต่อสู้เพื่อป้องกันแต่การยื้อแย่งสมบัติหรือราชสมบัติของทานเพราะในในในยุคนั้นเราจะพบว่าไม่มีพรามเป็นพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่เจ้านครรัฐก็เป็นได้แต่หัวหน้านิคมนะฮะ เราจะเทียบว่าคามนิคมชนบทนิคมก็ขนาดอำเภอนะฮะแต่อเมริกก็คงใหญ่กว่าเราหน่อยหนึ่งเพราะว่าประเทศเขากว้างขวางในะชมพูทวีตสมัยโบราณกนะ็กว้างมากนะอับการนิสสานก็ดีบังกลาเทศก็ดีปากีสถานก็ดีเนปาลก็ดีภูฐานก็ดีดอะเปอ่าๆเยอะมันกินเยอะเลยพื้นที่มันกว้างขวางมาก เรียกรวมๆ ว, ว่าชมพูทวีปแต่ก็มีนกขอนัฐเกลือนไปหมดในพระคำพีจะมกันธาหมาวักแห่งพวินเนี่ยระบุไว้ถึงส6แคว้นแต่ในที่อื่นก็ยังปรากฏอีกสี่ห้าแควนส6แควนนั้นรวมเรียกว่ามาหาชุนบทชนบทขนาดใหญ่16แควนได้กกน ซึ่งเวลานี้ก็สามารถสื บ, ส, บสาวได้นะฮะว่ามันอยู่ในตรงไหนบ้าง๋ยวก็ไปเรื่องอดีตคือการเป็นกษัตริย์มหาศาลเนี่ยท่านกำหนดด้วยคำว่าจึงอยู่กษัตริย์เหล่าใดมีทรัพย์เก็บไว้ร้อยโกรดเป็นอย่างต่ำร้อยโกรก็คือเท่าไหร่ล่ะก็เรียกว่าพันล้าน น, นนะฮะ พันล้านกหาปะนะนะัญะไงไม่ไม่ใช่พันล้านบาทมีกหาปั ะ, ะสามหม้อแล้วก็จัดวางไว้กลางเรือนหรือกลางวางังสำหรับชายสอยกษัตริย์เหล่านั้นชื่อว่ากษัตริย์มาสาลก็เรียกว่าร้อยโกดขึ้นไปกำหนดว่าเป็นกษัตริย์มาสาลทีนี้พระมาสาลจะมีลักษณะรองลงมา คือมีทรับแปดสิบโกดแปดสิบโกดเอาสิบล้านต่อหนึ่งโกดนะฮก็แสดงมาแปดร้อยล้านแล้วก็มีกระอาปะนะมอครึ่งเนี่ยจัดกองไว้กลางคือหัดสำอางใช้สอยพรามหล่านั้นชื่อว่าพรามหาสาล อบดีที่มีทรัพย์สี่สิบโกรธขึ้นนะ ร, รเราเห็นว่าอย่างพระมหากระสปะเนี่ยท่านเป็นพรามาสาลคือมีทรัพย์80สิบโกรธแต่ครอบครัวภาษาบุตรประโมคขลา น, นะกับสหายของท่านมีทรัพย์ร้อยหโกรธมากกว่ากษัตริย์อีกเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบ น, นะฮะเพราะว่ามันเลยไปแล้วก็คงอยู่ในกลุ่มพรามาสานะ เพราะพอท่านเป็นเป็นหัวหน้านิคมแต่เขาเรียกว่าหัวหน้าหมู่บ้านเราแปลหัวหน้าหมู่บ้านแต่จริงก็เป็นหัวหน้านิคมนะฮะนิคมก็ระดับนายอำเภอที่เราเรามองว่าลักษณะสังคมอินเดียมันก็เหมือนกับสังคมทั้งหลายหรือแม้ในปัจจุบันเนี่ย คือความร่ำรวยจะกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มเหล่านี้เวลามันก็ผ่านมาสองพันร้อยกว่าปีแล้วความร่ำรวยก็กระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มนี้แล้วก็เป็นผู้นำสังคมมาตลอดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าฐานเนี่ยฐานเดิมเนี่ย คือคนเราบางคนเกิดมาเนี่ยที่ดินสักกะแบะมือมังก็ไม่มีมันไปยากะนะเติบโตได้ยากแต่ท่านเหล่านั้นท่านเกิดมาเนี่ยมันก็มีอะไรรองรับเยอะโอกาสทางการศึกษาโอกาสที่จะก้าวหน้าโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งหลายมันนำคนอื่นไปข้างหน้าทีนี้ไอ้ความสมบูรณ์ของชีวิตเนี่ย เขาเรียกว่าต้องอาศัยสมบัติสี่ประการคือหนึ่งคติสมบัติอาจจะหมายถึงพบภูมิที่เกิดสถานที่เกิดประเทศที่เกิดสถานที่เกิดเพราะเราเกิดที่ไหนล่ะคนบางคนสติปัญญาอาจจะดีแต่ว่าแม้ไปเกิดเสกลางหลังเขาเลยไปเกิดเสกลางทุ่ง กว่าจะออกจากหลังเขามาได้กว่าจะออกจากทุกข์มาได้เนี่ยอายุมันไปเยอะละประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอุปธิสมบัติคือสุขภาพภร า, านามัยรูปร่างหน้าตาของมนุษย์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากไม่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตาม น, นะคืลอลราสังเกตว่าเด็กผู้หญิงเวลานี้อายุแกไม่ถึงยี่สิบแกก็ดังร ะ, ระเบิดโลกแล้วบางคน แล้วก็แสดงเห็นว่ารูปร่างบุคลิกหน้าตาของบุคคลมีส่วนอย่างสำคัญแต่อย่าลืมมารูปร่างหน้าตาที่ได้มาดีเนี่ยมันเป็นผลของกุศ ล, ลกรรมจ่เรียกว่าเป็นกรร ม, มัช ร, รูปคือไม่ใช่ได้มาลอยๆหรอกมันได้มาด้วยผลของกุศลกรรมเป็นเรื่องของขาวเฉพาะตัวขาวก็เรียกว่ารูปธรมนามธรรมและประการที่สามก็คือการลาสมบัติยุคสมัย ยุคสมัยที่เราเกิดมาเนี่ยมันเกื้อกูลที่จะให้เราเป็นความเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่ถ้าไม่เกื้อกูลเขาเรียกกาลาวิบัติถ้าเกื้อกูลเขาเรียกกาลสมบัติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเราปฏิบัติตนยังไงเขาเรียกว่าประโยชค่าสมบัติคือการใช้ความเพียรพยายามถูกทางหรือเปล่าถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ถึงแม้อย่างอื่นมันพร้อมนะฮะแต่ถ้าใช้ความเพี้ยนผิดแล้วก็คารุกกระพงไปได้โดยตั้งฟังจะเห็นว่าตรงนี้มันทำให้เราย้อนกลับไปหาคนสี่ประเภทประเภทหนึ่งคือมืดมามืดไปหมายความว่าคติที่เกิดสกุลที่เกิดหรือครอบครัวที่เกิดอาจจะอ่อนด้อยในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมในด้านการเมืองในด้านการศึกษา ทำมาให้กินก็เรื่องปากเลี้ยงท้องไม่ค่อยไหวใช้ลูกศึกษาเราเรียนได้ยังไงก็ไม่รู้คนกลุ่มนี้มีเยอะนะคือช่างผื้ที่เกิดแต่ป่าแต่เรามองดูแม้ในแวดบ่งของพระสงค์เราเนี่ยที่เริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ยากจนขัดสนอาจจะเป็นเด็กกำพร้ารอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในทสุดเสอสู่ชีวิต แล้วกลายเป็นคนที่มีความสาคัญเพราะเราศึกษาบทบาทครูบาอาจารย์ที่ดีเด่นดังทั้งหลายเนี่ยส่วนมากแล้วคติไม่ดีคือสถานที่เกิดไม่ดีครอบครัวส่วนมากแล้วก็อยู่ระดับฐานรากของสังคมแต่ว่ามันเป็นกระบวนการข้องกรรมที่เราเห็น บคนเหล่านี้มีเป็นอันมากที่มืดมาแล้วก็มืดไปเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยมาอย่างไรก็อยู่มันอย่างนั้นแหละพ่อเคยจนยังไงลูกก็ขอจนต่อไปเลยสืบสกุลจนไปเลยอันนี้ก็เล่นได้เป็นพันพันปีเหมือนกันนะพวกวันนสูตรหรือบางพวกที่เรียกว่าจันทานนะปัจจุบันเรียกอาทิสูตร โอ้ยมันจนมาตั้งนานแล้วนะก่อนพุทธกาลเลยนะพวกเนี้ยแล้วก็ขาดความกระตือรือร้นสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองแต่คนได้เกิดเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเนี่ยดังระเบิดเหมือนกันนะฮะเช่นดรอมเบก้าเนี่ยหรือประธานาธิบดีเดียคุนก่อนเนี่ยเป็นวันนั้สุดทั้งก็เด่นดังเนี่ทั้งก็เก่ง อันนี้คือคือจุดจุดอ่อนแต่นี้คนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามืดมาแต่สว่างไปหมายความว่าปุ ก, กลิกลักษณะสุขภาพภราณาไมยอาจจะดีะยุคสมัยมวยให้แล้วความเพียรพยายามของเขาถูกทางก็เป็นคนสู้ชีวิตจากดินเป็นดาวเลย นะเราจเห็นว่าบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่าสนใจคนอย่างอับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจคนอย่างพระเจ้าตักสินที่เนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจนะนเจกิดมาได้ยังไงเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงมาราชแต่เนี่ยคือมืดมาแต่สว่างไปเป็นอะไรรูปร่างให้บุคลิกลักษณะให้ยุคสมัยให้ ประโยคะคือความพยายามให้แม้ตอนจะเกิดจะเป็นครอบครัวที่ไม่เอื้อก็ตามนะแต่ว่าอีสามอย่างมันได้ผลพวกนี้ก็มืดมาแต่วสว่างไปแล้วอาจจะสว่างโพรงไปเลยก็ได้นะฮะผู้หนึ่งก็คือสว่างมาแต่มืดไปหมายความว่า เกิดมาสกุลที่ดีรูปร่างหน้าตาดียุคสมัยอำนวยให้แต่ไปคบพานอย่างเดียวก็จบเทแล้วเขาลกกระพงไปแล้วลูกผู้ลากมากดีทั้งหลายที่เสียผู้เสียคนไปเยอะแยะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าใช้ความพยายามในทางที่ผิดแล้วก็พู้หนึ่งก็คือสว่างมาแล้วก็สว่างไปอันนี้เรียกว่าสมบุรณนะ์ ตัวเฉพาะอย่างยิ่งคือประโยคะการใช้ความเพียรพยายามการประพฤติปฏิบัติการศึกษาและเรียนอะไรต่อไรเนี่ยการประกอบหน้าที่การงานทั้งอย่างมันดําเนินไปได้ดีแล้วก็ก็ไปได้ดีประเด็นต่อไปก็คือว่าเราต้องแยกให้ชัดว่าชะลากะโมนั้มันเป็นผลคือถ้าเราแก้ที่ผลมันแก้ไม่ได้แล้วก็ทําให้ ไปนึกถึงประโยคหนึ่งที่เบเนี่ยมีแฟชั่นนิยมกันก็เรียกว่าล้างบาปหรืออะไรนะก็เรียกว่าตัดกรรมเป็นแฟชั่นที่นิยมกันอย่างน่าสงสารที่สุดเลยถูกหลอกลวมต้มตุนกันอย่างน้อยเนี่ยเคยรู้ว่ามีพระอยู่สองรูป รูปหนึ่งแกตัดกรรมเนี่ยมาเห็นทางโทรทัศน์แต่แก้วยาคามาตัดแล้วก็หลอกหลอกหลอกโยมาตัดกรรมแล้วองค์นี้ถูกยิงตายนะฮะองค์หนึ่งก็ตัดกรรมเหมือนกันนะแล้วก็ถูกจับศึกคือพวกลองลวงอย่างนี้อยู่ไม่รอดหรอกกรรตัดไม่ได้ตัดได้ด้วยการไม่ทำแต่นั้นเองมีอย่างเดียวแต่นั่นเองอย่าสร้างเหตุ เห็นไหมแก่เจ็บตายพลัดพรากเนี่ยท่านถามสองคำแก่ก็ตายก็คือมันเป็นผลน่ะมันมาจะเกิดคุณเกิดแล้วคุณไปเสด็จยอย่างไงอ่ะพระพุทธเจ้ายัางแก่เลยพระุทธเจ้ายัางนี้พานเลยพระุทธเจ้ายัางเจ็บ่ายไม่สบายยังทรงประชวดพระพุทธเจ้ายัางประสบกับการพลัดพรา ก, รากสูญเสียพระชนนีเสียไปก่อนพระชนกเสียตามพระพุทธบิดาเสียตามไป รับประยุกต์ญาตเป็นนั้นมากที่ลมหายตจจากไปนะฮะก็ธรรมดาเพราะร่างกายของเจ้าชาติฐะมันเป็นวิบากขันซึ่งมาจากการเกิดเลยก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายก็ต้องพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาเพระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างเห็นว่าแม้พระอระหันต์มันก็อยู่ในสภาพตรงนี้ทีนี้ประเด็นที่ทรงเน้นเราจะเห็นว่ามีคําหลายคําที่น่า นาสังเกตทรงใช้คําทำทำให้เรามองเห็นภาพลักษณะอย่างหนึ่งคือลักษณะทางประวัติศาสตร์ลักษณะทางสังคมลักษณะทางการเมืองลักษณะทางเศรษฐกิจอะไรเนี่ยคือต้องนึกด้วยนะคือคือคือถ้าเราสังเกตว่าเบียร์ีมีเอกสารเป็นมากลืมนึกเรื่องเรื่องอื่นด้วยแล้วก็นึกแต่เฉพาะเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่งงางนั้น พระหันแสนโกรธมาไปชุมกันไอ้แสนโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เล่นนะเอาสิบไปคุยไปไปคูณเข้าไปเนี่ยมันเป็นร้อยล้านโกรธนะฮะไม่ใช่ร้อยล้านล้านนะแล้วอยู่กันที่ไหนอะแล้วจะนอนที่ไหนจะขับท้ายที่ไหนจะฉันที่ไหนอ่ะคือไม่ได้คิดพูดมันๆไปแค่ น, นี้ แล้วคนมาจากไหนอ่ะบานเขาคนมาจากไหนมาเป็นพระหานตั้งแสนโกดอ่ะคนสมัยนั้นไม่มากมายขนาดนั้นประเทศไทยเราสมัย84เนี่ยนะฮะพศ .84 ประชากรยัง18ล้านอยู่เลยสมัยการที่ห้าก็45ล้านกน น, น, นนั่นเองเพราะนั้นอเนี้ยคือคือคือเราต้องคิดๆๆเรื่องอื่นด้วย องประกอบเหล่านี้ที่ทรงแสดงเนี่ยเราเห็นว่าสถานะทางเศษรษฐกิจของกษัตริย์ว่าทำไมผู้นำต้องมั่งคัง่งเออผู้เป็นกษัตริย์ต้องมั่งคัง่งเพราะเราต้องมองไปที่ราชสังหะสิบสองประการสงเคราะห์ทั้งนั้นเลยแล้วถ้าคนจ น, นจะเอาเงินที่ไหนมาสงเคราะห์ ก็นี้สิ่งที่เราไม่เคยมองกันเลยว่ากษัตริย์ต้องมั่งคัง่งถ้าได้แบกประเทศไว้อะทุกกษัตริย์เพราะมีปัญหาอะไรแก่แก่ราษฎรกษัตริย์ก็ต้องช่วยคือวันหลังจะจะเอาพวกนี้ทั้งทั้งชุดนี่ยมาให้ดูแล้วก็จะโยงกันให้เห็นว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งในในสังคมเนี่ยนะะ แต่เช่นสมมติว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยบางทีงบประมาณมันไม่มีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคืองบปรมามนั้นไม่มีเรื่องเนี่ยแต่จําเป็นจะต้องจ่ายแต่กูนี่ยืมสินมันคนจนไปกูนี่อีกมันก็จนกันใหญ่เลยตัวเองพอจ่ายได้ไหมก็จ่ายเมันจะมีลักษณะอย่างนี้แค่สมผานวัดอย่างนี้นะสมผานวัดอย่างเนี้ย มีเป็นนั่นมากที่ท่านจ่ายเงินซึ่งโยมถวายเฉพาะตัวท่านเนี่ยไปในกิจกรรมของวัดนี่คือคนไม่รู้คนรุ่นใหม่คิดจะเก็บภาษีพระผู้ด็อกเตอร์จะด้วยนะไม่ใช่คนธรรมดาก็ไม่ใช่รุ่นใหม่ตะไรแล้วกลางมานานนะคือโดยไม่รู้ว่าถ้าโยมไม่ถวายพระให้เป็นการส่วนตัวพระทำงานไม่ได้นะพระต้องทำงานสมเคราะ์ งานสมเพราะเยอะแล้วเรื่องบางเรื่องภายในวดัดซ่อมกุฏิอ ะ, ะอะไรต่างๆสร้างวังที่ก็สร้างอ้าวไม่มีสตางค์ก็เอาสตางค์ที่เขาถวายตัวเองนะจ่ายได้เอาเงินวัดมาจ่ายเป็นการส่วนตัวไม่ได้แต่เอาเงินส่วนตัวไปจ่ายให้วัดไดไ้เป็นการทําบุญหรืเป็นการเพิ่มพูนบุญให้แก่ญาติโยมมากยิ่งขึ้ น, นที่แน่นอนบางครั้ง วันก่อนนี่ไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์คือญาติโยมเขาถวายตอนตอนป่วยนะตอนไปใส่บรรลนหัวใจเนี่ยก็จำนวนค่อนข้างมากนะฮะคือพลเอกเสรีท่านก็ถวายทั้งแสนแล้วมก็บริจาคเข้ากองทุนหมดเลยรวมได้สองแสนในขณะที่นั่งอยู่เนี่ย คุณนานๆนนตระกุลกขารถนักถือกันมานานลูกข่าวาเาจารย์กิติภูมิเาถามตอนกลางคือเนี่ยเกิก็ถวายถวายสองหมื่นเอามาจะไปทบกับสองแสนแกไม่ยอมอันนี้ถวายให้ท่านใช้ท่านใช้เป็นการส่วนตัวเกือบบางทีเขาบังคับมาเลยเพราเห็นเราบริจาคมากเนี่ยเขากลัวเราจะอยู่ลําบากเขาก็บังคับเลยอันนี้ต้องใช้ส่วนตัวแต่นั้นให้คนอื่นไม่ได้ อันนี้ถวายห้ามให้คนอื่นอะไนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องฉลองสตากับเขาให้แกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เจาะจงแต่สรุปว่าเมื่อไปเกิดอะไรขึ้นมาในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็ทําบุญเหมือนกันส่วนตัวได้นะดังนั้นเราเห็นได้ชัดว่ากษัตริย์ต้องมาาสาเนี่ย ยามรบาสเดจพระเจ้าอยู่มีราชภ า, าระเยอะมากใช้จ่ายเยอะมากถ้าราษฎรไม่โดยสเสด็จพระราชกุศลด้วยแล้วก็ยากมากนะที่จะทํางานสําเร็จได้เนี่ยเพราะนั้นท่านจึงบอกว่ามีโควะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายอันนี้คือพวกหมาสารกษัตริย์หมาสาลพระหมาสาลเศรษฐีหมาสาลนี่มากมายจริงๆมากมายจนขนาดว่า ไปแล้วปู่ของนางวิสาขาเบญจการเศรษฐีนะมีแพะเป็นทองแพรเป็นทองวางอยู่ที่บ้านนั่นแหละวางเหมือนเฟอร์นิเจอร์เลยรวยไม่รู้เรื่องเลยนี่คือคืออินเดียและอินเดียก็คืออินเดียไปแล้วนี่ก็ยังเป็นอย่างไงนะถ้าเราไปบ้านมหาเศรษฐีสักบ้านหนึ่งในโอมันยิ่งใหญ่จริงๆเลย เป็นมหาคือรือหาดเลยเห็นไหมว่าเขาก็คล้ๆกับสวรรค์กับ น, นรกมาอยู่ด้วยกั น, นขอทานก็อยู่แถวนั้นเนี่ยนะคนนอนริมถนนก็เกิดอดอย่าง น, น้บางทีก็ออกจาก บ, บ้านเศรษฐีก็ไปเจอขอทานนะ น, นั่นคือสังคมสังคมที่ขาดความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพานั้นทำทำให้เราเห็นลักษณะสังเกตอย่างหนึ่งว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาจะเน้นถึงทานการสงเคราะห์นี้เยอะมากเพราะอะไรเพราะวาศาสนามันอนุเคราะห์โกทีนี้มันไม่ใช่ใช้สอนอย่างเดียวอ่ะสอนอะไรเพื่อนหิวข้าจะตายอ่ะก็ต้องกินข้าวไปก่อนมีชาวนาคนหนึ่ง ไปตามโคนะฮะแล้วก็เจอโคเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเดินผ่านพระเจดตะวันอยากจะเข้าไปฟังเทศแต่เป็นหิวพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานให้คนจัดอาหารให้กินเท่ากันเดี๋ยวค่อ ย, คยมาฟังเทศเพราะนั้นเราเห็นว่า ง, งานของพระจึงทุงจุดหนึ่งเนี่ยออกมาในรูปของพระเจ้าทรงท้้คาว่าสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้าใจอันงาม หมายความว่าโดยวัตถุสิ่งของก็ได้โดยธรรมะนี่เป็นหลักแต่ถ้าเรามีวัตถุสิ่งของพอจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยยันทิวัดเนี่ยเป็นเลนมีคนมาขอข้าวกินทุกวันนะะกุฏิไหนที่พอมีให้เขาก็ให้แต่ว่าจะให้หมดไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมางทีมันเยอะมากแล้วก็ตามปกติแล้วพระเขาจะให้แก่คนที่ทํางาน เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์กุฏิกุฏางเนี่ยก็ไปสนับสนุนเขาเพราะกอบเป็นกุลีเป็นกรรมกรได้ได้ ไ, ดไม่มากพอช่วยอะไรเขาได้แล้วก็ช่วยสงเคราะเข า, ข า, ขาแต่นี่คืองานโดยเห็นว่าทรัพเปลาเครื่องปลื้มใจนะคำว่าทรัพเนี่ยเปลวทรัพเครื่องปลื้มใจ มากมายมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากมายอันนี้อย่างหนึ่งคือคือคือแสดงถึ่งกษัตริย์กษัตริย์ก็คือเกษตรเกษตรก็คื อ, คอนานหะมายความกษัตริย์เองก็ทํานาเหอเมนพระประยุรญาติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระเจ้าสุโธธนะมาสุโธธนะคือข้าวขาวนะฮะคือข้าวที่บริสุทธิ์ข้าวโดยบริสุทธิ์แล้วสุโกธนะก็คือข้าวที่ที่ขาว สุอมิโตะธนะโทโตะธนะคือธนะเนี่ยเปนปไปเป็นเป็นเป็นเปรียบว่าข้าวอะไรนั่นนหะโอธนะเนี่ยเปลว่าข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวอะไรก็ไม่รู้ก็มีการทำนาเพราะเราจะเห็นว่าเงินเนี่ยราชวงศ์ต้องใช้เยอะมากใช้ไปในการเลี้ยงดูค่าราชบริพารพวกพราหมณ์ก็เลี้ยงดูบริวารพวกเอ เศรษฐีก็เลี้ยงดูบริวารแล้วก็สงเคราะห์บางคนมีพลังมากก็สร้างเป็นโรงทานอย่างบ้านานางวิสาขาบ้านานาตาบินในกาศเศรษฐีเนี่เขามีโรงทานแต่ว่าสภาพสังคมสภาพสังคมสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นสังคมของความเอื้ออาอดสังคมเราก็ที่จริงไม่เบานะคร การเ อ, อื้ออาทรกันถ้าเราพูดถึงาการสงเคราะห์กันในสังคมไทยถ้าลงบัญชีไว้นะเดอ๋ย แ, แต่ละคนที่สงเคราะห์คนอื่นแล้วก็ลงบัญชีไว้แล้วมาคิดดูว่าปีเนี้ยปีหนึ่งเราสงเคราะห์คนมาเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่น้อยนะแต่นั้นก็คือบุญะคือบุญแต่ว่าสุดสรุปแล้วว่ารวยมหาศาลอย่างนี้นั่นคือคือทางโลกคือรวยมหาศาลเนี่ย เรือมีอำนาจมหาศาล ร, ร, รวยมหาศาลก็รวยมากแล้วก็พนวกกันนะหมายความถ้ามีเงินก็มีอำนาจถ้ามีอำนาจก็มีเงินเพราะว่าการรักษาอำนาจจะต้องใช้เงินเยอะมากงินดังนั้นแต่คนเหล่านี้จึงต้องตายเหมือนกัน แล้วแจริงพระเจ้าประเสนในกุศลท่านท่า น, นต้องการจะทราบอะไรกันท่านไม่ทราบเป็นยังนงเนี่ยพระเจ้าก็ไปยกดูตัวที่พระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยว่ามือขนาดพระอระหันต์เนี่ยทีนี้คําคุณลักษณะของพระอระหันต์รับสั่งว่าแม้ไอ้ภิกษุแม้ทุกรูปซึ่งเป็นพระอระหันต์ตรงกลางไม่ต้องพูดนะฮะตรงกลางเนี่ยไม่ต้องพูดคือกัน สิ้นอาสะวะแล้วคือพระอาหารหันต์นั้นดับอาสะวะอาสะวะคือกามอาสะวะคือภพอาสะวะคืออวิชชาสรุปว่ากิเลสคือโลภะโทสะโมห oh ะอยู่จบพรหมจรรย์หมายความว่าการปฏิบัติเพื่อละชั่วประพฤติ ด, ดีของพระอาหารหันต์นั้นไม่มีแล้วคือจบแล้วเสร็จภารกิจและท่านก็ย้ำว่ากระทํากรรยะเสร็จแล้วคือกิจที่ควรทํากิจที่ควรทําจริงๆก็คืออะไร คือกำหนดรู้ทุกละสมุไทยทาให้แจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคทีนี้เมื่อเจริญมรรคสมบูรณ์มันเกิดเป็นนิโรธพอเกิดเป็นนิโรธมันไปนดับที่ตัวสมุไทยพอสมุไทยดับทุกมันก็ดับแล้วก็เศรษฐกิจภารกิจต่อจากนั้นคือเขาเรียกว่าปราหิตคุณคือคนที่เกื้อกูลต่อคนอื่น ยงพระพุทธเจ้า 45,000 ปันษาไม่มีอะไรเพื่อพระองค์แต่อยู่ด้วยโลกานกรรมป ก, กะคือทรงอนุเคราะห์ต่อชาวโลกไม่มีลักษณะข้องติดในอารมณ์ท้งหลายที น, นี้พระอรหันต์ที่เป็นชนิดวางภาระหนักลงได้ภาระหนักหนึ่งคือขันห้าอันนี้หนักมากเราแบกขันวยเนี้ย แบกรูปแบกเวทนาแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณเบียตัวกูของกูไปในที่ต่างๆโอ้ยอัตตาเขื่องมากคนบางคนไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีรถนำต้องมีรถตามตองโอ้มันเยอะเลยต้องไปมีการเคลียร์พื้นที่โอ้มันเยอะมากมากเลยรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่ามีขันนี่จะต้องแบกมีอัตตาตัวตนนี่จะต้องแบก อย่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาบ้านเราเนี่ยส่งส่งไอ้อะไรล่ะ CIA FBI CIA มาเนี่ยเป็นเป็นพันเลยนะมามาเฉลี่ยจ่จายสตังเปลืองจังนะรัเสเซียก็เหมือนกันเอารถมาเองเนหะ็นนหฮะตอนตอนมาตอนตอนมาประชุมเนี่ยเอารถมาเองเลยแล้วก็แสดงให้เห็นดึงว่า ภาระที่จะต้องแบกขันของความเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโอ้มันเยอะหนักแบกหนักทีนี้อัตาตัวตนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนิีวเด้ยวก็ยุ่งแล้วนะฮะเช่นสมมุติเป็นท้าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาเอาน้ำน้ำดื่มใส่ขวดใส่หลอดมาให้เนี่ยดื่มไม่ได้มันมันเสียศักดิ์ศรีต้องใส่กีมาอย่างดีโอ้โหยุ่งหมดเลยนี่คือขันนะไปแบกขันเอาไว้ ที่จริงเราสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ก็พอแล้วพระพุทธเจ้าก็เปิดในบาทนะฮะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ก็เปิดในบาปบาตแต่ว่าพวกเราก็เรียกว่ากินใบบุญท่านแต่ว่าอันตา ม, มันเือต้องสมศักดิ์ศรีและเราก็ตามก็เป็นแถวนะนะคือบางทีขนาดว่าเนี่ย มีสีอาสนะแบ่งชั้นอะไรก็รู้ออกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจออกมาจากไหนมันนั้นคือขันที่ต้องแบกหนักเกินไปแบกบรรทัศนาไล่รุงรังนั่งตรงไหนก็สาเร็จประโยชน์แล้วกันแล้วก็ได้บรรลุ ป, ประโยชน์ของตนแล้วประโยชน์ตนจบแล้วนะสิ้นกิเลสเครื่องประกอบไปไหนพบหมายความมาตรงเนี้ท่านผู้ฟังที่คงได้ยินอายตนะนิพพาน ไม่มีฮะถ้าพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีพบเป็นที่อุบัติจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้ะโยนต้องสังเกตว่าพบมันมีสามภูมิมันมีสี่พบที่เป็นอุบัติของพระนิพพานมันไม่มีมันมีแต่ภูมิมีโลกุตระภูมิแต่ไม่มีโลกุตระพบโลกุตระภูมิมันเป็นภาวะทางจิตที่ดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ได้ ไปโดยลำดับนะจนถึงจุดหนึ่งกะดับหมดคือเป็นพระหานเพ ร, ราะนัผู้เจ้าสงชายในทีนี้ว่าสิ้นกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพหมพายความเมื่อกิเลสเนี่ยการเกิดในภพเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสเมื่อกิเลสเป็นเหตุให้เกิดมันดับไอ้กรรมที่เป็นตัวนํามันก็ดับแต่ปัญญาณก็ไม่รู้จะเกิดอะไรมันมันไม่มีเหตุเหตุให้เกิดอ่ะมันเหมือนกับอะไรล่ะมเมล็ดพืชที่เราตาแหลกละเอียดแล้ว แล้วโยนลงไปในน้ำเนี่ยมันปลูกไม่งอกมันไม่มีอะไรมันไม่มีเชื้อที่จะปลูกได้นะนี่ก็คือภาพลักษณ์ของพระอาหารหันต์หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบรู้ชอบก็คืออะไรคือเรียกสัมมปัญญาสัมมปัญญานี่ก็คือวิชาคือญาณคือแสงสว่างคือปัญญาโอรเรียกชื่ออะไเยอะ เรื่องที่จะเยอะในอนัตตลกการัตรก็ไม่ใช่แนวที่ตปรยาสูตรเนี่ยทรงเรียกรวมร่วมสิบคำนะจักขุก็เรียกยานก็เรียกอภิญญาก็าเรียกสัมโภทะก็เรียกแล้วก็อีกหนึ่งก็จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็ประมาณสิบคำนะฮะในในใ น, ในธรรมจกักรรษสูตรแห่งเดียวนะเรียกตัวเนี้ยเรียกคําคําเนี้ยเพราะรู้ชอบ ร่างกายนี้แม้ของประหานเหล่านั้นก็เป็นสภาพแตกดับต้องทอดชิ้งเป็นธรรมดาแต่จากนั้นก็ทรงสรุปทรงสรุปว่าราชรถอันวิจิตดีย่อมคร่ำคร่าโดยแท้อันหนึ่งแม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าธรรมของสัตบุุษหาเข้าถึงชราไมมสัตบุุษกับสัตบุุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้ คือประเด็นที่พระเจ้าปเสนโกศลถามนั้นคือประเด็นแรกนะเราเห็นว่าราชรถคืออะไรอ่ะราชรถคือทุกข์ศสตร์มันเป็นรูปประคันซึ่งเกิดขึ้นจากตัวองค์ประกอบของมันนะฮะเป็นพิจันยามเป็นพิจันยามแล้วก็มีอุตุนิยามให้เกิดพืชชนิดนั้นๆในขณะเดียวกันมัน ก, ก็เป็นธรรมณิยามของมัน แต่ว่ามนุษย์อาศัยจิตคิดคิดจะให้มีราชรถออกแบบแผลนแผนผังขึ้นมาแล้วก็ทำเพราะมันจะมีกรรมนิยามในจิตนิยามเนี่ยเป็นตัวสร้างตั้งแต่คิดอะตั้งแต่คิดขึ้นมาแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราไปอาศัยต้นไม้ชนิดต่างๆซึ่งมันอยู่ในกฎของพิจิริยามแล้วก็กฎของธรรมนิยาม ในขณะเดีวยวกันความเจริญเติบโตของต้นไม้เหล่านั้นมันก็อาศัยอุตุนิยามลักษณะทางภูมิอากาศก็ตลงว่ามันเกิดขึ้นมาจากนิยามทั้งห้าประการแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นทังอยู่ระดับปลายเมื่อก่อนรถมันไม่มีราชรถไม่มีราชรถมันเกิดขึ้นจากจากจิตของมนุษย์เลือกคิดแล้วก็ทา เห็นไเจต น, นาที่จะทาก็กลายเป็นกรรมกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากโลภะคืออยากจะได้ราชรถรทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีปัญญาคือลดโมหะลงไปมันมีศิละปะอะไรแต่ไรวิจิตพิสดาร น, นะอย่างเรือพระที่นั่งสุพรรณาคงอะไรแต่ไรต่างๆเราเหนวโอมัน ว, วิจิตพิสดารมากเลยแต่นั้นก็คือก็คือกฎ ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนอย่างอื่นนั่นแหละเหมือนแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราเทียบราชรถเหมือนกับหยดน้ําหยดหนึง่งมันก็คือการหยดน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ถึงจุดหนึ่งแล้วก็หายไปเราดูหยาดน้ําที่บนอยู่บนใบไม้เดี๋นี้อาจจะดูชากหน่อยนะในเมืองหลวงเนี่ย มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราดูแกงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราดูขนมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ในกฎตรงนี้เพราะกฎเนี่ยเมื่อมันมาตามกฎแล้วเนี่ยจะทํำยังไงล่ะก็ทกํากรรมไม่ดีรู้จักดูแลรักษาบริหารร่างกายของตัวเองนะอย่างอตาตมาเวลานีนน้มันมันก็เรียกว่าสามกษัตริย์แล้ว ทั้งความดันทั้งหัวใจทั้งเบาหวานครบชุดหมอก็สั่งให้ควบคุมดูแลดูแลมันก็พูดกับไม่รู้เรื่องนะฮะไอ้พวกเลือดเนี่ยมันขึ้นมาลงบูบว่าวูบว่าบางทีลงมาถึงเจ็ดสิบหกสิบหกสิบห้างทีขึ้นพรวดไปสามร้อยก็ไม่รู้อะไรมัน ก, ก็สังขาเ น, นะะี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันล้วก็ดูมันก็ ก, ก็ไม่อะไรอะ่ะคือจะขึ้นจะลงมันก็เรื่องของมัน เราก็พยายามที่จะกํากับควบคุมแต่นั้นเองทำได้บ้างทำไมได้บ้างเพราะมันเป็นอนัตตานะเราอย่าลืมมันเราบังคับมันไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ เ, เงินไขปัจจัยต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแร้วแต่สรุปว่า อ, อน้าตาจะลดน้ําตาจะเพิ่มเราก็ตายได้แยกันดังนั้นทีนี้ประเด็นสําคัญที่น่าน่าทําความเข้าใจแต่ว่า คงจะต้องยอกยอดไปพูดในวันอื่นคือประเด็นของคำว่าสัตบุรุษคำว่าสัตบุรุษเนี่ยมันเป็นภาษาเป็นภาษาที่เราใช้เยอะแต่ว่าคนทั่วไปมักอ่านว่าสัตตบุรุษแต่จริงก็คือสัตบุรุษนะสัตบุรุษแปลพูดสงบสันโตปริโสสัตบุริโสตามปกติแล้วก็ เรามักจะเรียกว่าสัตว์บุรุษทีนี้สัตว์บุรุษก็พูดง่ายๆคือคนดีอะคนดีชี่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดความเป็นสัตว์บุรุษที่จริงมันก็อยากกลางประนีดนะฮะอย่ากลางประนีขึ้นไปสมมติว่าเรามีศีลห้าเนี่ยเราก็เป็นสัตว์บุรุษละ เราถ้าปิบัติได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาแต่รักษาได้จริงหรือเปล่าถ้าราัษาได้จริงะก็คือสัตว์บุตรเป้ผู้สงบอย่างน้อยเราสงบบาปสงบจากการทําบาปสามเรื่องคือประทุษรายต่อชีวิตประทุษรายต่อทรัพย์รลกและเมื่อในทางเพศสงบจากบาปทกวาจาสี่เรื่อง คืองดเว้นจากการพเทศพุทโสเสีพุกัญญาพุทเรลั ย, ลยแล้วก็กำกับควบคุมกิเลสภายในใจคืออย่าให้มันร้อนแรงถ้าไม่ร้อนแรงมันก็สงบถ้าถ้ามันร้อนแรงมันก็สงบไม่ได้นั่นก็คือพยายามกำกับความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าในตรงนี้ท่านไม่เรียกลกโลกรธหงชื่อนมันต่างกัน ท่านเรียกว่าพยากกนะพยามกำกับนะฮะพยายามกำกับเรื่องความโลภอย่าให้ถึงกับอยากได้ของคนอื่นท่านเรียกว่าพิชานะแปลเพ่งเล็งโลภอยากได้แรงไปหน่อยนะอย่าถึงกับละโมบอาจจะโลภแต่ว่าใช้ความเพียรพยายามสแสวงหาเอาแล้วถ้าโกรธก็จะถึงกับพยาบาท ถ้าเห็นผิดก็อย่าคารกขะพงให้อยู่ในทํานองครองธรรมเรียวก็เป็นสมาธิพันธสัตว์บุรุษเนี่ยพูดง่ายๆคือคนดีสรุปแล้วว่าเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ของสัตว์บุรุษเนี่ยมันก็คือคนที่มีปัญญามีใจที่บริสุทธิ์ต่อตอนเองและต่อบุคคลอื่น มีความรู้สึกเป็นมิตรนะรู้สึกเป็นมิตรกับคนทั้งหลายเพราะนัรนพระเจ้าเลยเป็นจอมของสัตว์บุตรเป็นยอดของสัตว์บุรุษพระพุทธเจ้าทรงกรุณาทรงมีปัญญาที่สมบูรณ์ที่เราสวดพระพุทโธสุสุโธกรุณามานโอธรรมาชาวนะรับพระเจ้าเป็นพุทธะคือผู้รู้รู้ด้วยการศัตรูสุสุโธทรงบริสุทธิ์หมดจดจาก สรรพกิเลสทั้งหลายแล้วก็จากกรรมทั้งหลายตั้งแต่ขณะแรกของการ ส, สรตยุขแต่กรรมในอดีตเราตามไปละมันไม่ได้นะมันกรรมในอดีตดับได้กรรมปัมปัจจุบันและแม้แต่กรรมที่จะมีมาอนาคตซึ่งที่จริงมันไม่มีอนาคตมันก็เป็นปัจจุบันทุเที่มันไม่เกิดเพราะงั้น พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มองโลกมุมเดียวคือการุณาเรียวกว่าการุณามหัน n โ b กรุณาดุดท่วงทะเลหลวงซึ่งหมายความว่าอะไรก็ตามที่ลงไปในทะเลเนี่มันก็อยู่ในทะเลได้เว้นไว้แต่ของสกปรกซึ่งทะเลจะต้องสัดขึ้นฝั่งนี่ก็เป็นเป็นหลัก เป็นหลักที่ที่สอนให้เข้าใจว่าซารพชีวิตนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงแก่เจ็บตายได้แก่เจ็บตายพลัดพรากสี่เรื่องนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้การครองชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาจจึงเป็นภารกิจหลักของพุทธบริษัททั้งหลายต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาในทันี้ ที่สุดนี้ข้อความเจริญง่องามไปบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี